วันนี้ควรตกเพรยะจะไม่มีใครมาแล้วเนะี่ยรลยน้ำไม่ท่วมกันน้ำลดลงแล้วสองสะวันก่อนจะพวดพูดพู ด, พดน้ำปิดก็น้ก็่าลดลงแล้ถ้าฝนไม่ตกเพิ่มก็ปลอดภัยแล้วพวุงนี้แน่นอนเอ ย, อยจะสอบน้องทำกัน หนึ่งสองสามสี่สอบทุกวันแเราลงหลวงพ่อม่อยู่พวกนี้ไปองค์เทพจันเสร็จก็เข้าองค์เทพพ่อเขาพอเกิดสังฆราชแล้วก็วันที่สองเขาได้รับวันที่สามเขาพาเข้ไม่เกี่ยวกับเรา กลับมาที่สองคำคำหลันเย็นๆสามสี่ต้องทำต่อที่ห้าก็ยังานซ้อมไว้ยังไม่ได้ไปไหนะมันยังไม่ออกปาษาออกภาษาก็ยาวนะอท่าละทุระอ น, นุสินรองแล้วสินต่อไปก็หมดแล้วออกภาษาแล้วอื วันนี้สินลองเราบอกออกเปนสาลาพระเจ้าจะรีบลาไปไหนเขาบอ ก, กสายรีบลาพระเจ้าแล้วคำว่าพระเจ้าก็หมายถึงพระพูเทธเจ้ามไม่ใช่พระเยซูนะไม่ใช่พระเยซูก็อเลาะไปใช่ไนะ ภในภัรษาแล้วก็มีวันพระแค่สิบสองวันเองวันพรนน้อยพาะใหญ่ก็งา น, นั้นที่เราทำหนักนาสาหากรรมในสชิกกังคะก็ดีข อ, อมรนาสิบสองวันพอพยายามเมื่อกนทำคนเดียวมันก็เห็นมัสิบปีีสิบปีไม่ได้ ร, รู้ เงินรู้แล้วรู้ฤทธิ์รู้เดชมันเป็นยังไงว่าการอดหลับอด น, นอนเปไ็นยังไงการอดอาหารเป็นยังไงตอนนี้น้ําหนักลงนเหลือห้าสิบเจ็ดกว่าหกหกสิบกว่าหกสิบขึ้นหกสิบกว่า ก็อย่างปีปีที่แล้วปีที่แล้วหนักเลยสี่สิบกว่าปีที่แล้วหนักเลยทําอะไรไม่ได้แล้วคิดได้ทําไม่ได้ปีท่แล้วปลาหมอทุกวันสามสิบกว่าครั้งเดือนกว่าปีที่แล้ ว, ว, นวนเ น, ววนี่ยหนักหนักหนักหนักเลยว่าเกือบ เปลี่ยนเพรเปลี่ยนภูมิภูดังไงเนี่ยปวแเกือบตายอืมไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นถ้าเราไม่เคยฝึก ไ, ไม่เคยหัดไม่เคยปฏิบัติเนี่ยโอ้เวทนาเวทนาครอบงำเลยสวยมันได้มีที่อยู่คนกุจอระปัสสะมันจะออกมันก็ออกเขารู้สึกกวัวมันก็ออกกัเลยโควโควไม่ได้ ต้องใส่แปมพุทตลอดไปไหนต้องใส่แปมพุทตลอดจลไรนั่งจันจันอยู่ทีมทีก็ออกอื ม, อมแล้วดักยุคปีนี้ค่อยช่วยเตือนเป็นหมู่เป็น ก, ระนะการกันได้เป็นกำลังใจใพวกเราแต่ว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันแต่เก่าก็พยายามให้กำลังใจใพวกเรา อดโยนก็เพิมพ่มขึ้นอ่ะก็ดีดีดีแต่ว่าลมพอกอ่ะมันมันลดลงสร้นางนานไม่ได้มันเหมือนแต่ก่อนละแต่ก็พยายามอยู่ยี่ ก, ก่อนนางหัวคำันรุงพาวนนันได้แล้วก็ทุ่งหนึ่งตีห้านได้โรดเดียวเมื่อก่อนก็ไม่เชื่อ ฟังกรบาาจารย์พูดเป็นพปะดทไ ง, งนั่งนั่แต่หัวคำออกทีกตีห้าตีสี่ตีห้าฟังแต่กรบาาจารย์าถือโอกาสฝึกเพราะเหตุเพราะว่าครูบาอาจารย์รุ่นนี้มันไม่เหมือนรุ่นสมัยหลวงพ่อเป็นแน่นน้อย รุ่นนั้นก็ก็อายุห้าสิบหกสิบก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งครูหลานได้แล้วอย่างหลงปูเปลี่ยนเราสมัยหลวงพ่อเป็นน้อยท่านก็สี่สิบปลายอลาประมาณครบสีรอบครบสีรอบท่านก็จําได้ว่าท่านทําพระครั้งแรกเป็นพระส่วนปั๊มมากระมือท่าน่ะเท่าอายุได้มากระมือแหรอนั่นไม่รู้ไปไว้ไหน มันก็ยังสดายมันไม่ได้สนใจอะไรเป็นโรคสมเด็จจําได้เป็นโรสมเด็จแต่จําไม่ได้แล้วตอนงแต่ก่อนอยู่กระติอด้านนางกระตูอหลังไม้หลังเล็กๆก็จำไม่ได้แต่ว่าเป็นเนเนเงนะี้ยบอเป็นเนนเนาะลุนนั้นรุนั้นเยอะตื่นนอนนม มายุคมาถึงพวกเราเนี่ยสี่ห้าพรรษาแปดพรราอายุยี่สิบสามสิบนก็ไก่ขัดกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแบบนี้แยกแยกกันทั้บ้านทั้งเมืองแล้ยเป็นตูเป็นตักเลยนะเป็นอริยะอารหาันต์เลยนะมันมันไม่รู้ว่าเอคนที่ทําคนที่เคยทํามันไม่ได้ง่ายขนาดนี้ โดยเฉพาะคือวาสนาบาลังยเราจะล่ละคนพวรให้กับต้นทุนที่เรามามันไม่ไให้ ร, รู้เอามาเพิ่มมาต่อทุนเพิ่มทุนเพื่อไม่ให้มันขาดทุนอ๋อก็มโนธนาเป็นพุ่งต้นนะถือว่าพยายามพ่อพยายามให้กําลังใจเป็นที่แต่ก็ยังเห็นยังดูอยู่ให้กําลังใจอยู่ว่ามันได้ไป น, นอนอุตุกเราแต่ว่ามัน นั่งลวดเดียวมั น, ไ, ไ, มนไม่ได้นึงสภาพร่างกายมันไม่ได้พราะโยตัวอิท่ว่ามันจะออกมันก็ออกมันมันมันไม่ได้แต่แตอนนี้นก็ดีขึ้นดีขึ้นการขับท่ายก็กลุ้มปกติเรื่องปกติละเข้าทีิ้งทางแต่หนึ่งเขาคืนนั่งอยู่เพราะฉันน้อยเพราะฉันน้อยอยู่แล้ว ตัวนี้งดแป้งงดข้าวมันก็จะหนักเลยลงข้าวจะน้อยมากของหวานก็น้อยเอาเท่าที่ให้มีพลังงานชั้นกับผักผลไม้ก็อิ่มเหมือนกันอิ่มเหมือนกันเราชินกับการกินข้าวคนละจานสองจานสรุปว่าอิ่มแป้งกีนน้ำตาลถ้อยาลดน้หนักก็ลองดูลองงดแป้งนี่แหละ กินให้น้อยแต่ว่ากินกลับกินผักผลไม้เยอะน้ำหนักมันก็จะลดลงโดยธรรมชาติไม่อ่อนไม่เปลี่ยวไม่ต้องไปหวังว่ามันอดข้าวแล้วมันจะอ่อนมันจะเปลี่ยวว่าร่างกายของเรามีพวกนี้เก็บสะสมเยอะทัานนึงได้ออกมันเก็บไว้ตรงไหนเก็บตรงที่ผมไงนั่นแหละเก็บพลังงานนั่นแหละ มาลองคิดผมตัเองดูดว้วยอโอ้วันนี้ไม่ได้กินข้าวโอ้มันต้ไปห่วงบาลามมันไม่มีเงินมันก็ดึงพลังงานออกมาใช้เค่นั้เราอดข้าวท้องมันก็จะยุบเลยโดยประยัยเขาที่เขอทางเป็นภาวนาภาวนาคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการภาวนากันรับหูรับต่ ยืนเดินนั่งมันเรว่าภาวนาข้อมันก็ทะเลาะกันเรื่องคําพูดนี่แหละเรื่องคำพูดเรื่องคาแปลว่าไปตีความหมายของภาวนาคืออะไรมกลายเป็นหลายรูปหลายแบบหลายสํานักตามความคิดของตัวเองโดยไม่ยึดองค์พรธเจ้าเป็นหลักพระพุทธเจา้าจะพูดเอาไว้หรือ ครูบาอาจารย์บรุราจารย์ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเกิพวกเราแล้าก็แบ่งให้พวกเราเห็นการวิาภาวนาไม่ได้ไปโอกาสนั่งสมาธิเพราะมถ้าสมาธิเรือกได้แต่สมาธิภาวนาแต่ถ้าไปทางการเด่นก็เรียจิตตภาวนาเพราะนั่งภาวนาถ้าจะพูดเป็นทางการตรงเหมือนวิชาการก็พูด ข้อหนึ่งคือกายภาวนาก็กเกี่ยวข้องกับกายพูด น, น้คําว่าภาวนาตรงนี้มุ่งไปที่ความเจริกญกายภาวนาเพื่อความพัฒนาทางทางกายทางบนภาษาร้องอย่างเนี้ยเกี่ยวกับการยืนเดินนั่งสุขภาพทำให้ร่างกายคือพร้อมของร่างกายเส้นนั้นได้นจุบกลมมีเป็นตน้นหรือเราอาจจะไม่ได้ความสงบแต่มาได้ทางดัง กายภาพคือร่างกายสมบูรณ์แข็งแร ง, แรงควาพร้อมพวกนั้นือออกกาลังนั่นแหละได้จะพไปคิว่าเดินมันไม่ได้อะไรไม่ใช่แต่ที่มุ่งจริงๆของมหมายคือต้องการให้เห็นเวทนาเนาะความหมายแต่มันไม่เห็นเพราะไม่เสร็จปัญญาอันนี้คือเขอแรียกเรื่องกายภาพสองก็คือกายเนี่ย ถ้าไม่มีกฎระเบียบกติกาควบคุมกํากับเข้าเลยมันไม่ได้งพรานจึงเป็นเรองคอยสอรืองศีลข้อหนึ่งคือให้เจริญตันศินคืออารมกายก็จึงเกี่ยวนับกับกายอยู่นะศีลนั้นก็ยังเกี่ยวนองกับกายแต่เป็นการอบรมนี่ก็เริ่มอบรมละเขาได้ก็เริ่มจัดระเบียบเพราะในทางเรื่ออบรมเรื่องเก่า พูดยงไงคือความประพฤติพวดางานคือคุมประพฤติของ ก, กายภาพรวมจะเป็นคําโคโก้หน่อยเราจศีลภาวนาเยอะควบคุมนั่นแหละควบคุมกายของพุด ท, ทางกายน่นาจะสอนก็สามคือเมนหลักเลยคือจิตปอกภาวน า, าวก็แปลว่าพัฒนาทั้งจิตใด้านของจิตใจอันนี้เป็นเขาเรียกว่านามละอื ข้อหนึ่งข้สองก็เป็นรูปอยู่เจ้าพระองูก ป, ประทามข้อที่สามจิตตะนามเป็นนามานามะทามจิตตะนาวพระอรรมณ์ผู้ให้เกิดความประพฤติที่เคยจากเส้นนั้นแหะจิตตะพนาเรื่องของจิตโดยเฉพาะพระจิตโดยตรงอันนี้พุ่งไปที่เพื่อตดละเลิกเบาบางเรื่องความโลภ ความโปรความหลงอันเป็นเหตุให้คนทึงกระสองถ้าเราเป็นรว่งเราก็เลิกจิตต์ก็จิตโดยตรงแล้วเรารวมจิตเพื่อให้จิตมีความรู้มุ่งหมายให้จิตมารู้ขสข้อสี่คือปัญญาภาวานมุ่งหมายให้เกิดปัญญาคือรู้แจ้งตามความเป็นจริงอันนี้เขาเรียกรู้จริง ทุกวันเนเรารู้ไม่จริงคือไม่รู้ความจริงบุญงมันยังเหตุเป็นธรรมะการสะสมสะสมอะไรก็คือความลูขขขล้ของโกดของหลงปราะนั้นแบ่งแยกด้วยสองอย่างคือข้อหนึ่งข้อสองนั้นเรียกว่าการอบรมภายนอกคือภาวนาข้างนอกก็ชื่อภาวนาเหมือนกันนะจิตตภาวนาปัญญาภาวนาเรียกว่าการภาวนาภายใน ถ้ายแยกออกไปนะี่เรียกาอารมณ์ภายนอกกับอารมณ์ภายในประมาณแค่นี้คนนี้คาที่เราใช้คือสมถากับวิปัสสนาก็อันเดีย ว, ก, วกันมันไม่ได้หนีไปกันในะเรื่องของวิชาการสมาถาก็คือพยายามที่จะหากุศโลบายกูจะให้กลายของเราเนี่ยเกิดความสงบเกิดความเรียบร้อยไม่วุน่นวาย อันเหตุมาจากส่งไปส่งมาทางหูทางตาถ้าเกิดความรู้แล้วควบคุมไม่ได้แล้วไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเข้าไปประสมรองกับมัน ต, ตอนนี้เขาเรียกแช้าว่าสติแล้วแต่ว่าคําที่จะใช้เราเรียกว่าอนุสติก็คือพุทธทางนึกสติธรมมานึสติสังขานึกสติเป็นต้นสิบข้อคำว่าพุโทโธก็คือหนึ่งในนั้น วางใครบอกทางการภาวนาพทุทโธไม่ไม่เกี่ยวสมัยพุทธกาลไปการเข้าใจผิดคําว่าพุทธโธเนที่นี้มุ่งไปที่กันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ได้มุ่งไปที่จ้าชายสิทธัตถะไม่มุ่งตัวที่พระพุทธเจ้าเพราะปกติคําหมายพุทธโธคือแปลวพระพุทธเจ้าคือรู้ก็รู้ไม่จริงนะ่ะก็เรื่องมีปัญญาไม่เกิดอ่ะมันก็ต้องภาวนา อันญญามันไม่เกิดไปเข้าใจไงแล้วก็ไปสอนต่อกันไปอุสมัยพุทธกาลไม่มีหรอกไปโน่นเลยนะแตาเป็นผู้รู้แต่รู้ไม่จริงนีอันตรายเหรือก็ไม่รู้แล้วชี้แต่ทําไม่รู้ไม่ชี้ในดีนะไม่รู้แล้วชี้เช่นถามว่ากรุงเทพไปทางไหนชี้ไปเรื่อยโนะน่นอันนี้ก็ไม่รู้แล้วชี้อันตรายนะ ทางที่ผานไปทางไหนชี้ไปล้วทางทางตัวเองก็ไม่รู้เพราะนั้นไม่รู้ไม่ต้องชี้นี่ภาษาธรรมแต่เราจะให้คือไม่รู้ไม่ชี้แต่ความหมายก็มัรู้ไม่ชี้หรือทําเป็นตอไม่รู้ตอนเป็นข่าวหมายต่างโลกเขาแต่ต้องทำนี่ดีนะถ้าไม่รู้แล้วไม่ชี้เนี่ยดีแต่ถ้าไม่รู้แล้วชี้เนี่ยโอยุ่งก็คือ ผู้ชี้ก็ยังไม่รู้ก็เลยชีย้เรื่อยอันนี้คิดตาพาวงตัวสุด้ายก็ปัญญาพาวงก็คือมอุ่งไปที่ความรู้ให้เกิดความรู้รู้ต้องรู้จรงนะิงอย่างเงี้มุ่งปไปที่ความรู้ก็คือไม่ได้เกี่ยวไปเอาสัญญาเป็นตัวตัดสินไม่เอาศรัทธาเป็นตัวตัดสินคือเป็นตัวชี้น่อมุ่งให้เกิดปัญญาด้วยตนเองเนี่ย ภาวนาก็มีแค่สี่หลักแค่นี้แหละหยุดใช้เราใช้ตรงไหนไปใช้เรื่องของกายใช้เรื่องของสินใช้เรื่องของจิตไปใช้เรื่องของปัญญามันก่แค่นี้ถ้าแบ่งออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเรื่องเป็นราวจริงแต่ถ้าแบ่งเป็นภาษาพวกเราคืคอภายนอกภายในแค่นี้อันนี้ภายนอกที่เราคุ้นเคยตัง้งแต่เกิดแล้วเรื่องของกายแต่พเพิ่มว่าตัวที่เราขาดคือสติ มันก็จะตามดนปัญญาคือขาดสติปัญญา น, นุ๊บตัวที่เราศรัทธาเรามีแล้วอย่างเช่นเราทำหนึ่งก็ศรัทธามีสัญญาคือความจำได้ไหมายรู้ก็คือปริยัติเรามีอยู่แล้วือไม่ต้องไปห่วงว่าขาดปริยัติเรื่องควารู้มีเยอะมีเยอะจนรู้จะเอาอยัางไง ร, รู้จะปฏิบัติต่อยังไงสุดท้ายก็เอาแค่ปริยัติมาเทียงกัน ปริยัติป็ตัวตัดสินไม่เอาปฏิบัติตัวตัดสินตัวเฉพาะาจริงๆคือตัวไทยายไม่เอาปฏิเวทหรือผลรัพธของมันเป็นตัวตัดสินมันก็ได้เถียงกันแค่ปริยัติมันก็เป็นอย่างเ น, นี้ออกสื่อทว น, นก็เป็นอย่างนี้แหละเอาของห ย, ยาบๆเช่นพุทธรูปมาเถียงกันสมัยพุทธกาลสมัยนี้มันไม่มีก็ไปเถียงของห ย, ยาบๆของผู้นี้ เรียกว่าไม่มีสาระอะไรเลยยังมีกระได้ไม่มีกระได้พอเรากราบคุณราเป็นกราบพระพุทธรูปเพราจะแจกตรงกันอกราบคุณของท่านก็คือพระปัญญาจะคุณพระบุรุษจะคุณพระมาหากราธิคุณความหมาหยไม่ได้กราบคุณหินเดินสายแต่ความสัญญาคือความจําได้หมายรู้ความจำได้เ็นพระพุรูปคุณหินเดินสายแต่คนมีปัญญา่ะเขากราบแต่คุณน มันแยกไม่ออกเนี่ยคือความวแตกต่างระหว่างที่ใช้สัญญากับใช้ปัญญาแต่ที่สาคัญในความจริงเนี่ยเป็นตัวนันวาาวน้นจะเรียกที่เรียกภาวนาทำไมจะเรียกภาวนาเพราะว่าเราไม่พัฒนาภาวนาจริงๆกันพัฒนาทั้งสี่ด้านทั้งหมดเราต้องเรียกว่าภาวนารวมหมยายไม่ใช่อันใดอันหนึ่งเรียกวภ า, าวนาเพราะทั้งการภาวนากัรพัฒนา พัฒนาขึ้นแก้วคเจริญเป้าหมายของการพัฒนาควเจริญพัฒนาก็อันเดียวกันภาวนาจึงแปลว่าทําให้มีทําให้เป็นทำให้เกิดขึ้นทำให้เจริญอะไรมีอะไรเป็นหนึ่งคือกุศลกุศลจิตจิตจิตที่เป็นกุศลมันทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันหมดมันขานกันไม่ได้ภาวนาทั้งสี่อย่างนั้นมันขาดกันไม่ได้เพราะอยู่ในอุปกรณ์เดียกันคือรูปกับนามอันนี้ อรวกโดยภาพเบอก็คือรูปกับน้ำนี่แหละข้อสองหนึ่งสองก็พวบก็ถึงรูปนี่ถือวิญาณเป็นของอยาภาษาข้อสี่กายก็คือน้ำนี่เป็นของละเอียดแล้วตัวในเราอยู่ครึ่งค่อนครึ่งของชีวิตเราอยู่กับรูปรูปข้อหนึ่งข้อสองขนาดอยู่กับรูปยังเอามาอยู่คือกาย กายก็ไม่ได้มีสินตลอดเป็นเครื่องเค้อง่งาะเริ่มไม่มีการภาวนาคือไม่เจริญการมันถึงนแล้วไม่เจริญคือไม่เจริญในทุกด้านไม่เจริญเหตุเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เข้าใจเรื่องความโลภความโกรธความหลงถ้าเป็นเรืนน่องอะไรคือราคาโทสะโมหะก็ตกเป็นธาตุของมันเราจะเรียกตกเป็นธ า, าตุของตัณหา ในปัญหามนุษสิบกคนถามทีม่ขึ้นหนึ่งในนีน้ทายแลก็ตกเป็นธาตุขณะการภาวนาต้องเข้าใจหลักกองกองคุณแต่เอาจริงๆแล้วมันไม่มีหลักลการหลักเกินอะไรใดทั้งนั้นมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกันแม้แต่สิงสมาธิปัญญาถ้าเราแยกว่านี่คือสิงนี่คือสมาธิอันนี้คือปัญญามันเป็นละมาอัานเดียวกันมันหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องเดียวกัน เวลามันเกิดเกิดในขณะจิตเดียวกัน เ, เ, าาเพราใช้คาว่าจิตพอเราภาวนานจริงอะเราไม่ต้องกังวลเรื่องกายละไม่กังวลเรื่องเรื่องสินละมันจะเป็นทันทีหมายความว่าเรื่องรูปมม่ต้องไปกังวลหรือแต่เรื่องนามอย่างเดียวเพราะนั้นเรื่องรูปมันต้องไปกังวลมันเพราะมำไมการภาวนาเขาบอกหลับตาหรือเลื่อนตานี่นก็เถียงกันไม่จบึก็ไม่เป็นสาระอะไรเลย า ก, าาาาการพัฒนามุ่งไปที่การพัฒนามันไม่ได้เป็นแต่หลับหองเราตาไม่เกี่ยวกับหลับหอหลับตาดวงตาก็ทําให้เจริญได้ทําให้มันเสื่มได้เราเอาความหมายเราภาวนาแล้วก็ไปตัดสินกันเองว่าการภาวนาต้องอย่างนี้อีกฝ่ายที่เป็นหลับตาเป็นประจำก็แก่ไปเถียงฝ่ายที่ไม่หลับตาคือเอาปัญญากับจิตมาคุยคนหนึ่งเอาของหยาบก็ ค, คือกายกับสินมาคุย ไอ้คนหน่งพูดถึงจิตกับปัญญามาคุยจริงคุยเรื่องเดียวกันแต่ถ้าไม่ต้องทะเลาะกันเพราะปัญญาเขอจิตแตะมันเห็นไม่เหมือนกันความรู้ไม่เหมือนกันแล้วก็เห็นไม่เหมือนกันประสบการณ์ตรงมันไม่เหมือนกันจริงไม่จำเป็นต้องไปเถียงกันมันเป็นอันเดียวกัน ในสายพุทธการแต่ผู้ทธเจ้ยายังอยู่เพราะไปเช็คเอาสองคำนี่แหละก็คือสมถะกับปริศนาแต่มุ่งหมายกับสมถะนั้นมุ่งไปที่ปริยัติเป็นหลักปริยัติเยอะนะส่วนปริศนาศนาเอาน้นน้อยเอาแค่หัวข้อเอาแค่บทเอาแค่คาถาสามแถวสี่แถวแล้วไปขบคิดพิจารณา สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเช่นบทต้นแก่ไม่มีเวลาที่ไปศึกษาหรือปฏิญต์มากเอาแค่ไม่กี่บทแล้วก็ไปทาท่องทำบริกรรมเอาไปใช้ได้เลยครูสโลบายสอนของครูจอนั้นจะไม่มีเห็นมีถูกทำปฏิบัติมันไม่มีหมือนอาหารมันไม่มีอาหารไหนที่มันอร่อยหรือไม่อร่อยเรื่องเดียวกันก็คือจะไม้ดเดยวกัน ก๋วยเตี๋ยวล้านเดียวกันถ้วยเดียวกันตักเข้าปากคนละคนคนหนึ่งบอกอร่อยคนนึงบอกไม่ให้อร่อยแล้วไปโทษอาหารแ้่มันถูกไหมมันต้องโทษคนกินไม่เกี่ยวกับอาหารไปโทษมันไม่ได้มันก็คืออาหารก็ปลาอาหารก็เกิดจากการปรุงเปรี้ยวหวานมันเค็มส่วนที่ตักเข้าปากกราชอบไม่ชอบอ่านไปเรื่อย ของตัวใครตัวท่านตัวใครสูบบุกคลแล้วเราไปโทษอาหารเรเผื่อไปโทษร้านเขาอีกร้านนี้ไม่อร่อยนะไปโทษร้านเขาอีกนะพอเราแค่แค่สัญญาไงอย่างนี้นเราเรียกว่าสัญญาแล้วก็ไปเถียงกันตรงสัญญานะแล้วก็เกิดความชอบความไม่ชอบเรื่องของเรื่องมันเราคนที่ชอบบอกว่าอร่อยที่คนไม่ชอบบอกไม่อร่อยก็อย่าไปทะเลาะกันอย่าไปฆ่ากันเตาย บอกว่าไม่เี่ยวกันเนี่ยเขามันตัดสินกันด้วยปัญญามันได้ตัดสินกันด้วยสัสญญาแต่ทุกวันเราก็จะสัญญามากจนเลืวเออมันมีปัญญาอยูน่นะปัญญาคือความจริงของเขาที่ใครยอมรับหรือปฏิเสธเขาก็เป็นความจริงอย่างเช่นเปรี้ยวหวานมันเค็มเขาก็เป็นอยู่ของเขาอย่างนั้นะเขาไม่ได้ให้คุณไม่ให้โทษใครเพียงแต่ว่าใครปฏิเสพ แล้วเกิดความพอใจไม่พอใจเท่านั้นเองเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลไม่เรไม่เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเมื่ะนั้นถ้าใจเราไม่ฝึกเนี่ยเราเราแยกเนี่ยออกเรายังเกิดความโรคความโกรธความหลงเนี่ยนคือราสาตสสะโมหะยังอยู่ครอบงำอยู่ในจิตของเราอย่างนี้นยู่เป็นธรรมะทำไมต้องภาวนาคือทํามไมต้องให้มีให้เป็นให้มันเจริญมันต้องเจริญทุกวันะต้องให้เป็นทุกวันดีขึ้นทุกวัน ก็เรียว่าภาวนาถ้าเราไม่ีภาวนาอะไรก็แปลว่ามันมมันันนได้แค่เดิท่าเดิมเดิมมากก็จะแย่กว่าเก่ามันหนักกว่าเก่าถ้าเราไม่พัฒนานาพันาทั้งสีด้านทั้งเล่าขต้นเดือทั้งด้านทางกายก็ควาหมายคือสิ่งสอคือุกข์อสองเพราะด้านที่เป็นนา ม, มาธรรมก็นะั่นคือรูปนา ม, มาธรรมก็คือจิตละถึนเข้าไปข้างใน ซึ่งส่วนใหญ่เราเข้าไม่ถึงเราก็ได้แค่กาย ไ, ได้เห็นแค่ตาหูจมูกปากคือแสออกทางกายไม่บกกายทุวันเราก็อยู่กันอย่างนั้นเราเราไม่คขาถึงไปถึงข้างในเพระ้นหลวงปู่หลวงพ่อท่านเลยจะอย่าไปส่งออกไปข้างนอกอย่ไปรับรู้ข้างนอกมากเกินไม่เกี่ยวกับตัวเราไม่เกี่ยวกับตัวเราเช่นตาเห็นรูปหูฟังเสียงซึ่งมันมาจากข้างนอกกันทั้ง มันได้เกิดจากข้างหนเราก็ไปสามารถควบคุมได้ก็เกิดเวทนาเกิดเกิดความสุขคือชอบเกิด ค, ความทุกข์คือไม่ชอบแต่ตัวเป็นกลางกลางเราไม่มีแต่ที่สําคัญคือมันวางทั้งสุขและทุกข์กและตังกลางไม่ได้เลยน่นคือเป้าหมายสูงสุดในการภาวนาถ้าใครทําได้อย่างเนี้ยันาจะเรียกว่าพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากเป็นเหแห่งทุกขทั้งมวล เราจะรู้พ้นทุกข์ใช่เขาบ่าคําพ้นทุกข์ไม่ได้แปลพ้นจากสกุสขหรือจกทุกข์หรือว่าเฉยๆหนูนแต่เราเบื้องต้นเราก็คือต้องการให้วางบางครั้งบางคราวชั่วขณะก็อ ย, อยังดีมันจะรู้ว่าเออถ้าเราวางได้บ้างคือวางสุขได้บ้างคือไม่ติดวางทุกข์ได้บ้างคือทําใจได้บ้างอารมณ์มันจะเป็นยังไงสังเกตตัวที่มันรู้ว่ามันเป็นยังไงคือสติ ตัวเท้มันคงอย่างไรมันคือสมาธิจะได้มาวันไหวไปตามสัญญาอารมณ์แต่มันจะได้เป็นบทเรียนคือสอนจิตว่าโอถ้ามันเกิดอารมณ์อย่างนี้ผมมันเป็นอย่างนี้นะถ้ามันเกิดอย่าน้ผลมันเป็นอย่างนี้จิตมันก็ได้เกิดความรู้ขึ้นมาและจิตตักพานาเนย่านี้คือการพานาความรู้ความเข้าใจเรียกว่าความเข้าใจรวมทั้งหมดแล้วพระพุทธเจ้าใช้ก็ทำทั้งหลาย ทางแค่ว่าทำคือสภาพวธรรมนั่นแหละทำทั้งหลายแี่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่โดยขหมายของท่านซึ่งเราก็อธิบายไม่ได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันคืออะไรคือทั้งหมดทั้งปวงทั้ ง, งเรียนรูปธรรมก็ดีนามธรรมาก็ดีจะเป็นสิ่งใดสิ่หนึ่งมีมียางครองก็ดีไม่มียางคลองก็ดีมันมีการเกิดขึ้นปรากฏตัวในโลกนี้สภาพก็มันเสมอกันหมดเรียกว่าใจรักอันนี้คือตัวอิปัสนา เ น, นื้อตัวเนี้ยตรงตัวกัจจานนท์เขาก็การฝึกให้เห็นของเนี้ยว่าจริงได้สิ่งหนึ่งมัน เ, เกิดขึ้นเปตามมือทุกครั้งคนหรือว่าทั่วๆไปผู้ที่ปฏิบัติใช้ก็ปฏิบัติก็ตามถ้าเข้าใจตรงกันอย่างนี้เราเรียกบุคคลนะเป็นผู้เห็นหรือว่าผู้มีดวงตายเห็นธรรมผู้ได้ดวงตายเห็นธรรมคือโสดาบันเอง ทำว่าเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหมดทั้งวงถ้าเปลี่ยนรูปกรรมนามาทําสิ่งได้สิ่งหนึ่งกิขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปตามองแต่ทั่วไปพุทธเจ้าหรือพระองค์เราใช้ก็ว่าทำทั้งหลายหรือรวมทั้งหมดถ้าเป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีครับคือกุศลธรรมอกุศลธรรมหรือเป็นกลางก็กกดูในโลกนี้ต้องแชร์เข้าไปในโลกนี้ทั้งหมดทั้งปวงสภาพเขาเป็นอย่างนี้นะ คือใจอรักพู้แ่งงานคือเห็นใจรักนั่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาคือปฏิบัติตอน่ยยังไม่เห็นความคือสภาวธรรมทั้งหมดอะมันเป็นใจรักยังยังยังไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นต้องค่อยฝึกนะให้ฝึกให้รู้จักตัวละตัวเช่นสุขทุกโดยเฉยการวางสุขได้การวางทุกได้เฉยมันก็คือเวทนาถ้าพูดภาพรวมมันก็คือเวทนา ก็เาไปธนาคแปลว่าการสวยอารมณ์มนั่คืออารมณ์สองอย่างนี่แหละเราจึงได้ออกภาวนรโดยความหมายเพราะการภาวนาคือสุขทุกข์รู้เฉยๆแนละวมันมีเฉพาะโลกเราในเท่านั้นที่ครอบอบเราเรานี้องค์อื่นเขาไม่มีองค์อื่นเข้าไปสวยอารมณ์คือมีสี่ตัวคือเวทนาสัญญาสังขารอินอย่างแต่เต็นรูปที่เป็นรูปห ย, ยาบๆอย่างพวกเรามันไม่มี อย่นมนุษย์ขี้เหม็อนอย่างพร้อมมันไม่มีในพบอุตตะของเขาเขาแค่นแค่คิ ด, ดแค่ฐานแค่หยาบได้มันก็มีมันก็เป็นมันก็อิ่มมันก็ได้มันก็สําเร็จแล้วไมเราสาเร็จด้วยใจแต่แค่ว่าสําเร็จได้ด้วยใจไม่เหมือนกับโลกมนุษย์เราที่สำเร็จไก้โดยไปต้องใช้คำกายใช้วาจาอันนี้เลยมันคือข้ อ, ข อ, ข อ, ขอแตกต่างมันระหว่างโลกโลกอื่นกับโลกเราฟัง พรคเราจะเป็นโรคที่มีความพร้อมที่เราจะเห็นของพวกนี้แต่ข้อเสียคือเราไม่เห็นของพวกนี้คือไม่เห็นด้วยปัญญาเพไม่เห็นจะเรียกว่าไม่มีใบสนองคือไม่เห็นด้วยปัญญาคือเห็นแล้วมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความละตอนปล่อยวางมันไม่ได้ไปเพื่อความลดน้อยถอยลงไปเห็นแล้วคือการจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น มากกว่าเก่าในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบโลกก็ตามครอ บ, บโกะ ก, ก็ตามโมเรียวโทสะครอบหลงก็ตามคือโมหะซึ่งมันทับเอาไว้เพ<ม><ม>ราะนั้นราคะโทสะโมหะสามตัวเนี่ยมันก็เรื่องเดียวกันเราพโพกสอนโม่งไปนไีกตัวเดียวกันนี่แหละเครวทนาศุทุกข์สุขเวทนามาเกิดจากอะไรมาเกิดจาก อะไรค่ามันไม่ได้แปลว่าเซ็ก ค, คือความยินดีพอต า, อาเห็นรู้ก็ความยินดีความพอใจมันจะคือความต้องการความหมายคำว่าต้องการเราจะเรียกว่าตัณหาความต้องการตอนนี้แต่พอเกิดเสียงอะไรปุ๊บเราก็มันนี่กระบวนการในขั้นตอนใดๆที่ไปหยุดยัง้งอารมณ์ได้เราก็ปล่อยไปตามอารมณ์ตามขั้นตอนของมันอ่ะจบเป่งหมายของตัวนี้คืออันนี้สุขะต้องระวังว่าเออทา ถ้ามันสุบกันมามันก็จะติดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะอ้าวควาหมายปลายทางของมันก็คือตัวนี้ตัวที่สองเวทนาจสุขทุกขเวทนาเควาหมายขั้มันก็คือถ้ามันเกิดมาลมันจะเกิดโทสะคือเกิดมันปทุษร้ายมันอยู่ยากมันทนไม่ได้มันจะเกิดกันทําร้ายทําลายทําลายใครไม่ได้ทํำร้ายตัวเองคือจิตจะทําห้จิตใจกันตัวเองเจ๊เผาตัวเอง มันสร้งสามอย่างเรียกว่าไฟผู้เจ้าเจอของเรียกว่าไฟเราก็ถูกไฟสามอย่างเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าในขณะใดหรือในขณะจิตใดถูกไฟของไหนเผาใจของตัวเองโทสะโมหะโมหะนี่ทำให้มันหลงตัวที่มันหลงก็คือถ้าเรายังไม่รู้ถ้าคนที่ทำสมาธิไม่ได้ คนที่ติดยืนสมาธิอย่านั้นก็ชื่อว่าโมหะเพราะมันไปกดสุขกดทุกข์เอาไว้คือมันไปทับเอาไว้ชั่วคราวกดเอาไว้ชั่วคราวไม่ให้มันสุขดูเหมือนว่ามันไม่มีอะไรดูเหมือนว่ามันไม่มีสุขไม่มีทุกข์แท้จริงมันมีแต็มทุกกดด้วยพลังของสมาธิคือทับเอาไว้เพราะฉะนั้นโมหะมันจึงไม่เกิดปัญญาเหมือนเรานั่งทับเหมือนเรานั่งทับปัญหา เราไม่ลุกขึ้นเราก็ไม่เห็นเนี่ยจึงหมายคขาว่าจึงลุกให้เข า, ามองหามองหาคือะอะไรมันไม่รู้มันไม่มีความรู้มันจะบหชคือมมันกดเอาไว้มันปิดเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยเป็นตุปปิดบงังกั็มันก็ไฟกองหนึ่งที่เผาเราสูงเราไม่ให้เราภาวนาคือเจริญท่านยับอกให้พวกให้เราภาวนาเพื่อให้มันเจริญ ความหมายขมเขาว่าเจริญเพื่อต้องกับจัดให้รู้จักราคารสะมุหะโลกโลกรธหลงอัดเดียวกันครอบโรัวเดียวกันตระกูลเดียวกันแท่เดียวกันเพียงแต่เราไปพูดเราไปแยกแเราเมื่อคนละเรื่องคนละโลกไม่ใช่เลยนั้นถ้าเราเข้าใจขั้นตอนจากนี้เราออขนาดจิตใจที่ โลภะเกิดข yeah. so no ึ้นเนี so, like you know it, it, it error, ่ยโอ้มันเอามันไม่อยู่เพราะอะไรเพราะจิตเราไม่เคยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ทำไมไม่เรียนรู้เพราะมันมีปัญญาทำไมมีความรู้เรื่องเหล่านี้เลยเหมือนเราเห็นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ที่เราต้อเคยรู้เพื่อที่เห็นมันก็ไม่เข้าใจระพากของจิตก็เช่นเดียวกันว่าจะเป็นความโลภความโกรธกำังเกิดขึ้นกันตามมันไม่มีความรู้ในสิ่งนั้นโดยเฉพาะยิ่งคือความรู้ยิ่งถึงจิตเรียกวิญญาณ ญาณนะทัศนะตัแงใจคอยญาณนะทัศนะไม่ได้รู้ยิ่งจริ ง, รงตามความเป็นจริงเพราะนั้นต้องการให้เราเห็นหรือรู้ยิง่งตามความเป็นจริง อ, อะไรรู้จักความโลกความบุคหลคว า, ว, าว่ารู้แต่นี่คือละได้ปล่อยไว้วางได้ไม่ใช่แค่รู้จักเฉยๆเหมือนกับรู้จักว่าเห็นรู้จักว่านายแดงนายดำนายขาวแต่ไม่รู้ยิงนิสัยแจแขกของนายแดงนายดำนายขาวเป็นอย่างไร อย่างเรือเรอไม่รู้จริงถามว่ารู้ไหมเห็นหน้าตาโอไอยแดงไงดำขาวรู้แต่แดงดาขาวนิสัยแย่กรเป็นยังไงพฤติกรรมอะไไม่รู้นี่คือความจริงแต่ถ้าเขาเรามีปัญญาแล้วเราจะรู้เออคำว่ามีปัญญาเนะี่ยหมายก็ว่าถ้นคุณเห็นโทษของผู้กบน้ำที่มันเกิดแก่เจ็บตายอยู่นี้ในด้านคุณมันก็มีในด้านโทษมันก็ ให้เห็นทั้งสองด้านจะไปเสพหรือว่าเข้าใจหรือเรียนรู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะทุกอย่างมันมีนม ส, อมสองด้านมีสองเรื่องเสมอมีบุญมันกมีบาปมีกุศลอกุศลมันมีมืดมีสว่างอย่างนี้เป็นต้นแต่สุดท้ายแล้วเรามันเกิดแล้วมันจะเห็นได้มันเป็นสองด้านา น, า น, า น, านั่นคือนปัญห า, า, าของพวกเราของคนนี้เวลามันเกิด บุรีจ่าถึงบอกว่าเวลามันเกิดมาไม่ว่าจะเป็นราคะหรือตัวสัมมามันจะเกิดทีหลายอย่างมันจะไม่เกิดพร้อมกันเช่นมันเกิดราคะขึ้นมามันจะโกโก้แล้วทร้ายมันมันมันกเกิดทีหละยอย่างทีลาอย่างแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้เลยมันน่าจะเป็นโอกาสดีที่มันเห็นทีลาอย่างแล้วก็พิจารณาทีอย่างที่เรื่องให้มันจบให้เห็นคุณให้เห็นโทษของมัน คุณเขามันก็มีถ้าเป็นการพัฒนากรามคุณแต่โทษเขามันก็มีกม็เลยกอาชินาวะคือโทษโทษของกรรมมันก็มีทั้งสองด้านซึ่งเป็นหนึ่งในอนุพิกคาถาที่พระเจ้าพยายามจะพูดและก็เป็นการที่พระเจ้าพูดบ่อยที่สุดในวรร ด, ดาคมเทศหลวงพ่อแปลว่าอะไรก็แปลว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องสําคัญถ้าม่งั้นคงไม่ย้ำตวหาตัวโตวเดี๋ยทานสิง กระคสวรรค์นในกรรมะป็นโทษของกรรมผมสี่ห้าข้อนี้แต่ถ้าพูดแล้วพูดตามลำดับจะเรียกว่าอนุปูพิกะถางคือคำพูดหรือท้อยคำพูดเรียงตามลำดับสังาน้าเป็นภาษาเราง่ายๆอย่างเงี้ยเป็นพูดสำรัเรียกปูพื้นโู้โหไหมู้าไปอจจัจฉรยะขนาดนั้นคือพูดจากสิ่งที่มันง่ายๆ ไปหาสิที่มันยากๆนี่คือความเป็นครูครูที่เวลาอธิบายก็ดีเวลาสอนอะไรก็ดีต้องพูดจากเรื่องที่มันอุปมาอุปไมยสิ่งที่มันเห็นง่ายๆก็เห็นที่เป็นรูปธรรมไปสูน่นามธรรมเพราะนามธรรมจับต้องไม่ได้นี่คือความเป็นครูเพราะฉะนั้นใครจะเป็นครูที่ดีไม่ ว, ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกทางธรรมก็าาตามนี่คือหน้สมบัติของครูที่จะไปอุปมาอุปไมย อ, อธิบายให้เข้าใจง่ายๆจนกลายเป็ออยากจนจนเรื่องที่ไม่มีตัวม่มีตน ก็คือนามมาตาม อ, อมันอเนี่คือปุจ้านี่คือหยาบแล้ว เ, เรื่องทานเัืงเสียนเือธรรมดาอยู่พื้นๆนะแล้ก็ไปเรื่องทีง่ปุจ้าร์พยายามที่พูดพูดปางทุ่สทุ่ยนี่นคือรูปต่อไปก็จะพูดเรื่องนามนั่นคือปุจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่ทั่วันนี้นก็คือทำตามพุจ้ารที่วางหลักการกฎเกณฑ์เอาไว้จากการที่พระองค์ได้ทดสอบทดลองดูแล้วปุจาจาร์จเป็นตักปฏิยาสามนะ วิทยาคือทดสอบได้ทดลองนได้โดยตนเองผู้ชาทดสอบได้ตนเองทุกเรื่องเพราะนันมีอะไรปุ๊บต้องบอกพุทธังสันนักจางนี่นั่งถึงพุทธเจ้าก่เรื่องอย่างนี้พุทธเจ้าตัดอย่างไรตัดกับใครตัดว่าอย่างไรผลของการตัดโดยขนาดเป็นอย่างไรมาานันจะมีเขาเรียกว่าตาเราท่องเาเป็นสูตรเลยสมัยหนึ่งเอกรางแต่มายัง เราจะพูดถึงเวลาบุคคลสถานที่ครบคือการอ้างเรียกวาพระสูตรเราจะพูดถึส่วนหนึ่งก็พูดทีเจ้าส่วนหนึ่งก็คือเวลาส่วนหนึ่งก็พูดทีเจ้าก็คือบุคคลเอาณาถาพิธีการเจตีสถานที่คือวัดวาอารามสถานที่ไปในขณะดนั้นคือครบคือประกันการข้องว่าในขณะเนี้เรื่องเนี้ยผู้จะพูดที่ไหนเวลาพูดกับใคร ผลของกพูดเป็นอย่างไรถ้าเป็นภาษาเราเนี่ยเนี่ยใช่ไหมความงดงามของผู้เรียเวลาอ้างเองก็จะอ้า ง, งยิงอย่างนี้เพราะฉะนั้นพู้เราก็ให้ความสําคัญโดยเออนี้เป็นหลักเกณฑ์คือเวลาในเออมีจุดตังเอกลงสมัยยังสมัยหนึ่งเวลาเวลากัน อ, อย่างเวลาเนะี่ยเวลานี้เราควรจะทําอะไรควรจะคิดอะไรควรจะพูดอะไรอะไรแต่มันคิดได้อะไรแต่ไม่ไม่ควรจะคิดอะไรที่พูดได้อะไรแต่ไม่ควรจะพูด นะครับเวลาบุคคลก็เช่นเดียวกันบุคคลอย่างเนี้ยควรจะถับตัวอย่างไรคือประพฤตตัวอย่างไรกับบุคคลอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเสมอพากันหมดเท่าอกันหมดเราควรจะให้ความเคารพอย่างเก่งเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับบุคคลสละทเวลาผู้ความสำคัญกับสถานที่เวลาบุคคลคือให้ก่อนสําคัญาอันนี้ก็สามารถที่เป็นธรรมะในชีวิตประจำวันได้คือ สมตธิโอปะนะจีโกคือน้อมขนาดตัวอื่นได้พอดาวตัวอืแสดงก็เกิดภาวนาแล้นคือการภาวนาด้วยความหมายเมื่อเราจะไม่ได้ยืนเดินนั่งกระตังก็ชื่ว่าภาวนาไั่บุญสําเร็จด้วยการภาวนาคือเจริญได้ด้วยการภาวนาความหมายแตบุญง่ายคือมันจะสําเร็จได้ด้วยการภาวนาเโดยมีการพัฒนาสําเร็จได้ด้วยการพัฒนาถ้าเป็นภาษาเรานั่นไ ง, ง, ง, ง, ง, ง ถ้าเราไม่พัฒนาก็มีทางทีขขง่สุขุมความสำเร็จเอยเอะๆเรา อ, อยากให้มันมีมันเป็นเป็นมันเป็นไปไม่ได้เพระนั้นที่เราเพียรพยายามทําทุกวันนี้หรือครัวาจารหล า, ลหลากหลายหลากหลายไปวิทีคิดมาตั้งแต่ยุครอติเป็นรูปธรรมจริงๆเลสมัยหลวงปู่บ้านเราลงมาถือว่าประสบความสําเร็จมากเพราะหลวงปู่เราเอาเรียนแบบพระพุธธทธเจ้าทานก่อนนั้นท่านก็อธิษฐานเป็น เป็นอักเร่าอไอฐานพุทธภูมิหลายองทรทรทร ค, อยค์ถอนถอนทําไอถานพุทธภูมิพอมาโคตรจะสำเร็จได้ก็จะก็จะสิ้นพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรคือช่วงที่พระเจ้าพระองค์ปรากฏขึ้นบนนาบนโลกใบนี้อย่างของเรานี่ยก็พุทธยังเราห้าพันปีอายุของพระองค์อายุบางที่อายุของาศาสนาห้าพันปีตอนนี้สองพันห้าร้อยแล้วเนะต่อไปก็ ทุกอย่างความเข้มข้นอือ่นมันก็จะลดลงลดลงสุดท้ายก็เสื่อมสิ้นหายไปหมดแม้แต่ของไม่อยู่เส้นประทาตุพบรมประทาตุทัทง้งหลาถามว่ามันไปไหนคำตอบคือถ้าไม่ใครสนใจดูแลอะไรถ้าก็จะอัตตะธานหายตัวเองเมื่อมีคนไม่สนใจพวกมีบุญญาบารมีเพียงแค่อธิษฐานก็จะเสด็จมาเราจะเห็นประทาตุอย่างเช่นท่านพ่อลือเป็นต้นเดี๋ยประาตุเสด็จมา บบางมีมีคนสนใจแต่เป็นคนวัมีคนบารมีด้วยมาแค่สนใจแล้วก็จะมาได้ฝัจทีมาโดยโดยการอธิษฐานขอผู้มี ญ, ญาบารมีอันนี้คือเรื่องคือมันเราได้ยินได้ฟังในในยุคเราปัจจุบันเพราะนั้นเราแต่ยุค ข, ของเราแต่โชคดีมากทีไ้รบโปรลงมาจนถึง ผู้ราุ้นลูกหลานเดือนหล่นร้อยกว่าปีมันเป็นร้อยปีที่เกิดความสงบเกิดปัญญาต่างแับหลังร้อยปีกว่านั้ น, นประเทศชาติบ้านเมืองกลุ่มก้อนโมนูคณะสังคมมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นมันเปนกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นย่ำต่างคนต่างใหญ่ต่างคนต่างอยู่ใครมีวาสนะาใครมีกำลังก็ไปตีกัน อายุก่อนหลังอย่างนั้นไปต่อต่อมาเราก็รักเป็นกลุ่มเป็นกรเป็นเป็นประเทศชาติบ้านเมืองเป็นกลุ่มอันเดียวกันเป็นฝืนเป็นเดียวกันเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าในสมัยในสมัยย้อนหลังไปคนกันนั้นผู้อาจาวุโาเป็นนักรบหลายคนเป็นนักรบนะเป็นหัวหน้าเป็นแม่ทัพเป็นราชาเป็นอํามาเป็นนักรบเมืยก่อนหลายองค์ เพราะที่แรกว่าทุกอย่างมันไม่ได้บังเอิญเหมนที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยแต่ทีนีเราไม่สามารถที่จย้อนออกไปข้างหลังได้เราจะไปอ่านประวัติครูอาจารย์ทุกๆองค์เนี่ยจะมีพิราที่ไปอี่ยทําทไมครูอาจารย์ท่างหลาชอบขึ้มาทางเหนือามันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนี่คือพุกธการเปร็นที่อยู่ที่พังที่อาศัยมาไม่ใช่แค่วันสัปปะรีสัปปะรีไม่ใช่สมงภาค มันจะมีที่มาทุยไปแต่เพราะเกิดการเธอบอกไม่แต่บาอื่นทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบางอื่นเหมือนที่เราดังฟังอยู่นถ้ามันคงไม่ทนฟังขนาดนี้ยไม่ทนมาคนตกเดดออกเวลาร่างที่ก็ต่างเวลาก็ต่างบุคคลก็ต่างดูผู้กล่าวมันก็เกี่ยวข้องดูที่เราไม่ใสามารถอธิบายได้ผู้ใดพบมาเห็นแล้วมันลงใจกันมาตกใจมาตกจริตมาตกทุกข์ใสเนี่ยก็เลยเป็นที่มากับมาร่วม สร้างบุญญาบารมีมาด้วยกันช่วชักช่วยจูงช่วยลากช่วยนั่งน่วยนำก็ไปด้วยกันก็เอาคุปโแม่โคจารเป็นหลังนั้งแหละเป็นนําร่องเราเราสุดท้ายไปหลังเราแทบไม่ต้องทำอะไรไมันอยู่ได้เหมือนครูอาจานย์นร่องเรามาสองพันกว่าปีมาแล้วทําไม่มีการปฏิบัติคือพูดไงคือไม่มีภาวนาทางกายยะภาวนาวไม่มีศีลภาวนาวไม่มีจิตตะภาวนาวไม่มี ปัญญาภาวนาไม่มีมันจะไม่เป็นอย่างน้ายุคไหนทาไมครบอย่างมันจะไม่เป็นอย่างน้หรือไม่ต้องอะไรมากบ้านอื่นเมืองอื่นเหมือนบ้านเราไหมเอาเรื่องเดียวกันศาสนาเดียวกันรอบๆอบบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรเหมือนบ้านเราไหมสรบเรียบร้อยเป็นอยู่ภาสุขไหมกายะ ภาวนาได้ไหมศีลภาวนามีไหมกิตตภาวนามีไหมปัญญาภาวนามันมีมันบริครอบเมืองบ้านเราอ่ะนี่คือความร่มเย็นเป็นสุขความมหัศจรรย์ของบ้านของเมืองเราเราจงภูมิใจในความเป็นอยู่ของพวกเราในขณะเดียกันครับก็ภูมิใจอย่างเดียวไม่ได้ควรจะประบาทให้มีการภาวนาทั้งสี่ด้านนี้เสมอเมื่อเราทำครบ สี่ด้านนี้เมื่อไหร่การภาวนาคือการพัฒนานั่นเลก็จะมีขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาที่ไหนมีการพัฒนานั่นคือคําว่าเจริญก็แปลว่าทาั้งรูปกธทรมก็จเจริญ น, นามธรรมก็จเรจริญจึงเป็นที่มาของคำ ว, ว่าเจริญ ท, ท, ท, ท, ทั้งทางโลกและทางธรรมที่หลวงพ่อใช้นี่ก็คือจเจริญทางโลกอยู่แต่โลกโลกธรรมดาถ้ามีการพัฒนาหรือภาวน า, วามันก็จะเจริญแต่ด้านทางใน หรือทางทำภายในจิตใ จ, จเราถ้ า, าการพัฒนาจิตตภาวนากรืีปัญญาภาวนาเกิดขึ้นมันก็จะเจริญแต่ถ้าไม่มีทั้งสองด้านเลยมันไม่มีความเจริญไม่มีความเจริญมันก็ต้องข้ามากลับว่าเสื่อมหรือว่าชิบหายหรือว่าอายนะด้ความหมายมันจะเป็นทําตรงกันข้ามเลยก็แปลว่าเราก็จะอายณะคือเสื่อมคือชิบหายคือพินาศจากความเปจริงจากเรื่อนี้ไปสิคันก็คือ จะเป็นผู้ขาดทุนท่านตัวนี้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสิดาห์เาะฉะันเราถือว่าเกิดมาแล้วพบแล้วทําแล้วโดยแต่ผลในการปฏิบัติเท่านั้นโดยแการปฏิบัตมันปฏิบัติทให้มันมากขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองคือทําต่อนั่งแหละง่ายๆเดี๋ยวมาถูกทางแล้วมาดีแล้วก็พยายามที่มัน พัฒนาคือเจริญนั่นคือภาวนาเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็อยากถึงการภาวนาถ้ารู้ข้อหมายทั้งสีด้านนี้แล้วเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งอือภาวนาจริงไม่ได้เปลี้ยวเราหูเราตานะไม่ได้เกี่ยวกันยืนเดินทั้งนอนเฉยๆนะไม่ได้เกว่ากันอยู่คําบริกรรมะทั้งสีด้านนี้ถ้าเรายังมีอ่อยู่ยังะพฤ่งปฏิบัติอยู่ความเจริญก็จะเกิดขึ้นโดยความเจริญทางโลกที่เราจะอยู่กันนี้ ใิอยู่ทางโลกก็เจริญอยู่ทางธรรมก็เจริญพอเราทั้งหลายได้มีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมดังกล่าวข้างต้นทุกคนทุกท่านทืน